สติคือวิชาตัวเด่นที่สุดขั้นต่อไปทำอย่างไรรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แค่นั้นเองไม่ต้องไปนับขั้นสมาธิขั้นฌานขั้นญาณอะไรทั้งสิน้นเมื่อจิตรู้พร้อมอยู่ที่จิตสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตอันนี้คือฌานสติเพ่งอยู่ที่จิตคือฌานและสติรู้อยู่ที่จิตคือฌาน พอจิตไหวตัวพับเกิดภูมิความรู้ความคิดขึ้นมาคือปัญญาสติตัวผู้รู้ธทรำรทุกขณะจิตคือวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาตัวเด่นที่สุดก็คือสติเราปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่เราจะทำสมาธิได้ขั้นใดตอนใดก็ตามจุดมุ่งหมายครั้งสุดท้ายคือสติตัวเดียว สติวินโยสติเป็นผู้นำจิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงยึดมั่นในคุณพระรัตนไตรยัยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิต